เันเข้ามาก้อนจะไปนั่งตันปรตูคนมาทีหลังมันเข้ามาบาได้เบี้ยเขาเขมาตั้ ง, งตันประตูฮะแล้วคนมาทีหลัก็อยู่นอกไกลไปดังนั้นเมื่อ น, นี้เข้ามาว่ากันตื่นเรื่องการปฏิบัติธรร ม, มาเรียกว่าเขามาเริ่มต้นสีใหม่หรือมาตั้งต้นสีใหม่ทำไมจึงว่าเริ่มต้นสีใหม่ ตั้งต้นชีวิตใหม่เพราะลาทุกคนนั้นเคยให้ทานมาแล้วเคยตักบาตรเคยไปเพนเคยไปจังหันเคยทําบุญหลายอย่างในว่าให้ทานมาแล้วแล้วการรักษาทิ้งห้าทิ้แปดเขาก็เคยรักษามาแล้วแล้วการเขาจะพา ก, ก า, า, า, าการทำกรรมฐานวิปัสสนาเราก็ทํากันมาแล้ว เรียกว่าทำซึ่งนั่นมันดีแล้วแต่ความเข้าใจเขาอย่างน้อยเกินไปวันนี้จะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกตื้นมาตั้งต้นชีวิตใหม่อีกตื้เริ่มต้นจังไดตั้งต้นจังไดเริ่มต้นทาควมรู้สึกตัวทําความตื่นตัวทําความรู้สึกใจทำความตื่นใจนี่เรียกว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะ แต่ก่อเราให้ทานเขากะยักได้บุญเขารักษาศีนเขาก็อยักเป็นคนสวยรวยทรัพเขาทํากรรมฐานให้ระลอกคนสงบเขาก็หวังต้องการมีผานและเขาเจเริญนิพพสนเขากะยักมีปัญญาสัมมารู้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ต้องการมีผานันเองดังนั้นสิ่งเหล่านั้นเขาได้เห็นได้ทำกันมามากพอสุขวนแล้ว จึง ม, มาตั้งต้นชีวิตใหม่เริ่มทำกันใหม่เอาแบบมีแบบเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไปมาโดยวิทยากาให้รู้เช่นพลิกมือขึ้นก็ให้รู้พ่วมือลงก็ให้รู้พลิกมือไปก็ให้รู้เอามือมาก็าให้รู้ให้รู้จริงๆ ทำจังหวะให้รู้ถ้าฮะโบลูแล้วมันที่ดบผลสันความด้ผลนั่นเขาเห็ดบุทุกเรื่องไหมอันบุญนั้นเขาผู้จักบอกเอาเห็ุมาหลายเทือแล้วสร้างโบสถ์สร้างอุตติขุดน้ำ บ, บ่อก่อสลาสร้างถนนหุ่นคางทำสะพานข้ามแม่นม้ม้่อสวยที่เขาเห็ุมาพอแหงแล้วแปลว่า เขาอยากรู้จักบุญเพราะว่าปุกสลาโยขะผู้เท่าอะไรประมาเขาก็ปุกแล้วว่าโยขะผู้เท่ามาันก็ตัดถนนคนทางนักคนนัดขอนออกจากถนนพุทธาเขาที่ตัดทางเป็นเขาก็เห็นแล้วเพราะเขาอยากได้บุญนั่นเองอันนั้นบุญเนี่ยแกก้อนกระโมลู เมนึกว่าเจ้าของเฮ็ดแล้วมันได้บุญจะมาอูมเอาดวงจิตวิญญาณนี่ขึ้นไปเกิดเมืองสวรรค์เข้าใจอย่างตักแต่บัตรมีมาเข้าใจใหม่ทําความเข้าใจกันใหม่จังหวัดทําจังหวะดพลิกมือขึ้นตาตาให้มันตั้งตะแคงไว้ให้มันรูดสิบตัวยกมือขึ้นครึ่งตัวเอาขึ้นมาตาตาให้มันรูดสึบตัวเอาเข้ามาแนบไป้สะดือนี้เอามาัาตาให้มันรูดสิบตัว แล้วก็พลิกมือทรายขึ้นซาตาตั้งตะแคงไว้ให้มันรู้สึดตัวยกมือท้ายขึ้นครึ่งตัวยกขึ้นซาตาให้มันรููสึดตัวเอามือท้ายเข้ามาทับมือขวดที่สะดือนี่ขอให้มันรู้สึดตัวพอดีเอามาทับไปใส่สะดือแล้วบันี้เลื่อนมือขวด ข, ขึ้นหน้าอกเอาวางไว้เอาแนีไปหน้าอกขัดะกอให้มันรู้สึดตัวเอามือขวดออกตรงข้างมันเอามาตั้งไปตรงข้างมันตัดไว้ให้มันรู้ ลดมือขวาลงที่ขาขว่าตักแขงไว้ให้มันรู้สึกตัวควบ ม, มือขวาลงที่ขาขวให้มันควบอยู่ขาให้มันรู้สึกตัวเลื่อนมือซ้ายขึ้นหน้าอกเอามาไป ห, หน้าอกบางก่อนให้มันรู้สึกตัวเอามือซ้ายออกตรงข้างเอามาตั้งไวต้ตรงข้างนั้นให้มันรู้สึกตัวลดมือซ้ายลงที่ขาซ้ายตั้ก แ, แขงไว้ให้มนันรู้สึกตัวควบมือซ้ายลงที่ขาซ้าย ให้มันรู้สึกตัวอันความรู้สึกนั่นแหละพือนว่ามันเป็นบุญมันเป็นกุศลว่าภาษาบ้านเฮาคันว่าภาษาธรรมะเน่ยความรู้สึกตัวนั่นเป็นว่ามีสติถ้าหากเฮาเคลื่อนเฮาไหวเฮาไปเฮามาโบลูสึกตัวซึ่งว่าหบุมีสติคันว่าภาษาบ้านเฮาเรียกว่าลงตนลืมตัวลงกายลืมใจ ท่นลงแล้มังกรโบงูแล้วเด็กเป็นวายจากตัดนั่นควมรู้สึกตัวเนี่ยทำให้มันมากๆทํทำมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันจะทำให้เขาเกิดปัญญาเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงนี่น่ะเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วก็ได้ชีวิตใหม่ชีวิตเนี่ยซื้อบอ่อใดขายบดาย่ด มีเงินจากร้อยล้านถันล้านหมื่นล้านแสนล้านกนซื้อบัวใดบัวมีบ้านใดเมืองใดเห็นตลาดขายชีวิตทาตลาดขายชีวิตประเทศใดก็บ่วมีนี่ว่ามาเริ่มต้นชีวิตใหม่มาตั้งต้นชีวิตใหม่ปฏิบัติแบบใหม่แต่บัวไม่แบบไม่อันเนี่ยแบบเก่าๆคุณเต้สมัยพระพุทธเจ้าพุณแหละ่คุนบอกว่าให้มีสติกำหนดรู้ในอธิยบุตรทั้งที่ ยืนก็ให้รู้เดินก็ให้รู้นั่งก็ให้รู้นอนก็ให้รู้เนี่ยบนว่าอิทธบุถรงสี่อันนี้แต่เท่านั่งกันยังบเบาให้มีสติกำหนดรู้ในอิรธิบุตรย้อยคูเยียดเคลื่อนไหวคูเยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีกดรก็ให้รู้เลยเคลื่อนวหวอย่างตัางอันนี้แหละเอาบทใหได้เห็เุเถธอนมิจะเอาไปนั่งสมาธิหลับตาภาวนาทุกโทบ้า สัมมาอรหังบ้างนับหนึ่งสองสามบ้างดูลมหายใจของยุคเอาก็ได้เหตุกันมาแล้วอันนันกะเพิ่นว่าวิปัสนาอันวิปนะัสนาเนี่ยมันเป็นซื่อเหมือนซื่อมันเป็นซื่อวิปัสนานั้นตามตัวหนังสือนาแปลว่ารู้แจ้งรูจริงต่างเก่าลวงภาวะเดิมคันรู้แจ้งรู้จริงต่างเก่าลวงภาวะเดิมเเขาที่มีความสงสัยบอก มันก็มุดความสงสัยกันว่าเมื่อมุดความสงสัยแล้วเขาจีเป็นทุกข์บอกมันก็โมทุกข์แล้วเพราะว่าโมสงสัยแล้วเจ๊แปลว่าเขารู้จริงตามความเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าทันวานั้นสัตทั้งหลายคือเราตถาคตสัตทั้งหลายเหมือนเราตถาคตสัตทั้งหลายเป็นตถาคตเนี่เป็นวายคันคือพระพุทธเจ้านั้นคือตั้งได เมื่อพระพยยุทธเจ้านั้นเหมือนอย่างไดเป็นตถาโคนั้นเป็นจย่างไดเอาบลวู้จักปัจ น, นี้ข้อสุดท้ายเ ป, ป็นว่าตัดทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเคอทั้งหลายให้พวกเคือทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามย่างเราตรถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตรถาคตนี้เนี่ยเอาเลยบลวงพรจักขับวอยังจิต คันว่าเท็กยังเราจะโทเท่ากับไปให้ทานไปหลักตาติ้นไปว่าพระสวดมดนั่งภาวนาหลักตาพุธโธ่บ้างสัมมาอรหังบ้างนักหนึ่งสองสามบ้างเอาแต่ผู้ใดถนัดเรื่องใดก็เทศไปไปเรียกว่ า, า, วาภาวได้ธรรมวิปัสนาว่าแต่แต่ว่าเฮ า, าบูฮุจักคําว่าวิปัสนาวิปัสนานะแปลว่ารู้แจ้งรูจ้จริตงตามเก่าลวงภาวะเดิม ขันตั้งเก้าแล้วมันตั้งอันใดภาวะเดิมมันเป็นอย่างไดเขาบพููจ่าเมื่อมาทําคนรู้สึกตัวเนี่ยมันจะรู้มันจะเหตุมันจะเป็นมันจะมีคือพระพุทธเจ้านั่นแหละย่างที่พระพุทธเจ้าเพิ่งวาไว้เขาเอามาสวดขันมงคลว่าคู่ตัดสล ต, ตามพระพุทธเจ้ามีสิ่งและทิฐิเสมอกันแล้วเขาตัดสลูตามพระพุทธเจ้านะั่นรู้อันใด เข้าใจอันไหนจี๋ว่าเารู้ตบับพระพุทธเจ้ามีสินนั่นน่ะสินห้าสินแปดสินสิบสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดหรือสินสามร้อยนั่นอันนั่นที่มีสินทิศถีเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าอ่ะมันบอมแมนมันบอมแม่จิว่วามาเริ่มต้นชีวิตใหม่ตั้งต้นชีวิตใหม่ัทําให้มันรู้จริงๆแบบที่การเคลื่อนไหวเนี่ยมันทําให้เกิดปัญญารู้จริงรู้ของจริง รู้เรื่องรูปเรื่องนามนี่เองธรรมมากๆ ม, มันเกิดปัญญาคือมันรู้จริงจริงรู้ได้แก่ร่างกายนี้นามได้แก่ จ, จิตใจนี้เขาจะรู้เองเห็นเองเข้าใจเองเขาสวดหลักธรรมคุณ น, นั้นว่าสวกขาโตพระวตาธรรมโมพระธรรมแต่ว่าพระผู้ภิพาจ้าตัดไว้ดีแล้วขึ้นตัดไว้ดีแล้วสันที่ตีโกนอันผู้รู้จะพึงเห็นเอง เราเรารู้เองเห็นเองเข้าใจเองโบต้องถามให้อันนี้อาการเรียบโคไม่ประกอบการและเวลาโบาประกอบมือโบประกอบวันโบประกอบปีโบประกอบเตือนเรืองการเวลาจึงว่าตั้งใจทำบางคนอาจจะรู้มือสวยก็ได้มือคืนก็ได้มือแรงก็ได้มือเศ้าก็ได้ว่าแต่เขาทําให้มันมากๆทําให้มันลาย นีน่พุทธะอากาศรีบโผลไม่ต้องรอมานได้เวลาบ่มียุคบ่มีสมัยถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาบอกมาสอนออกกิจิลูบ่มีพระพุทธเจ้ามาบอกมาสอนออกกิจิลูเพราเขาเหตุทุกเขาทําทุกทําตามแบบพระพุทธเจ้าแท้ๆรับรองว่าแบบนี้ถูกต้องเหมือนกับพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ทำอย่างพระพุทธเจ้านั้นนก็จะรู้ตามเห็นตามอย่างพระพุทธเจ้านั้นเข้าใจตามกันพระพุทธเจ้าตัดแล้วว่า รู้ในเรียสัตย์ทุกสมุทัยมีรสมากเลยเฮาวาติดทุกเฮ า, าก ว, ว่าทุกขังอันนี้ยังอนัตตาเนี่ยเฮาวาอย่างนั่นสมุทัยทําให้ทุกเกิดเฮาก ว, ว่ามันนึกมันคิดมันเจ็บหัวปวดท้องอันใดเอาว่าไปสนับเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเจ้มันแมนยูอันนี้บุตรทีเป็ือนบอัแมนแจ้มันแก้ทุกบัได้ตอนมาเฮ็ดอันนี้เนี่ยมันรูรูรูน้ำ ลู่ลูกทำลู่น้ำทำลูกเขาเนี่ยทาํามาทําส่วนทําให้ทํามาหา ก, กินสู้อัน น, นนะ้ได้ว่าลูกทำน้ำทำมันคือใจเขาเนี่ยลูกมันทําได้ใจมันก็ทําไปน้ำได้ว่านา้ำทำรูกโรคนามโรคมลูกอันนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันเจ็บหัวปวดเข้อมันเป็นโรคกันโรคอันนี้ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลให้หมอปวดให้เหาว่าเป็นโรคอันนั้นเป็นโรคอันนี้ หมาอ้วแล้วก็ให้ใหยามากบางที่ก็หายบางที่ก็บวชหายโรคบางย่างรักษาก็หายบวรักษาก็หายโรคบางย่างรักษาก็บวชหายบวรักษาก็บวชหายตายเน่าเข้าโลมอันนี้กป็นรูปโรคหนามโรครูปโรคหนามโรคได่มีสองอย่างสองอย่างโรคทางเลื้อหนังนะครับผู้จักกันโรคทางใจนี่เขาบอกผูจักกันใจเฮาหักผู้หันสังผู้นี้ เห็นผู้หันดีเห็นผู้นี้ว่าบูดีอันนั้นแหละโลกทางใจโลกทางวิญญาณมันจะรู้มาจังซีรู้มาจังซีแท้ๆอันนี้รู้ของจริงแม้มีผู้บอกผู้สอนก็จะรู้ว่ามีผู้บอกผู้สอนก็จะรู้อันเดียว่ารู้ของจริงรู้โลกนามโลกถึงรู้จักรู้โลกนามโลกอันนี้แล้วมันจะรู้ทุกคขังอันนี้ยางอนัตตาย่างที่พระพเจ้าสอนนั้นว่าให้มีสติกำหนดรู้ในอิทธิบุตรจังซี่ ยืนเดินนั่งนอนและให้รู้กู้เยียดเคลื่อนไหวทุกวิถีเพื่อยังเขาบูฮูจ้จักเขาบอกเข้าใจเพื่อให้เขาลู่การเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นว่าสันตติความเกี่ยวเนื่องการทิพเทียงตีงโตทิพตาอ้าปากก้มเงยนี่มันไวเขาเลยบูดได้ฮูจ้จักในอริยบทข น, นั้นจึงมาทําอันนี้มาเทศศาซาทำศาซา มันกระเกิดความรู้ความเหตุความเข้าใจว่าการเคลื่อนไหวไปมานะ่ะเป็นตัวทุกข์ทุกแปอดทนไม่ไหวนั่งอยู่นิ่งๆบได้มันต้องเคลื่อนไหวไปมาก้มเงยเอียงซ้ายเอียงขวาพิดตาอ้าปากเนี่ยมันเป็นอะไรวะให้เห่าลู้อันนี้เนี่ยรู้อันนี้เ น, นี่ยเป็ น, นบบตัวทุกข์ทุกอันนี้ทุกคนไม่ไหวพัฒนาบไดายตัเวเอินทุกขงังที่อยู่ครบรู้อันนี้ทุกขังอันนี้ คด่าโบมีเคพื่อนบุญใหญ่ก็ตายแนวเข้าหลงคุเนี่ยทุกขังอันนี้จังคือเป็นโบเทียงมันเป็นยวงสันขี้รู้กันก็เป็นยวงสันโบรู้มัก็เป็นอย่างสันจิ๋ว่าให้รู้อันนี้อนัคตาบังคับปัญาบุได้รู้แล้วก็แล้วไปเรื่องรูปมันมันเป็นยวงสันเรื่องใจได้บ่นเนี่ยเรื่องใจพัฒนาได้มันหักเอาบัวหักเอาหัวเห็นมันจั่งเอาบัสั่งเอาหัวเห็น มันดีใจเขาโบดีใจขเขาหงอกเห็ุมันเสียใจเขาโบเสียใจขเขาหงอกเหตุ น, นี่อันนี้พัฒนาไดเรื่อง จ, จิตใจแต่เรื่องรูนาำรูปกายนี่พัฒนาโบราณรู้แล้วก็แล้วไปมันอยากกินข้าวก็ต้องกินมันอยากกินน้าก็ต้องกินมันเป็นอย่างก็ต้องเป็นต้องให้มันตามเรื่องของมันเมื่อรูสมมุดเออรูทุกอย่างอันนี้อางหน้าตาลู่อันนี้ก็รููสมมุดเปน รูสมมุติสมมุติซื้อเพ่นวัตสวรรค์อยู่ในอกนั่นลกอยู่ในใจท่านนิพพานก็อยู่ที่ใจพอแม่สอนนะครันแต่งห่าบอกเข้าใจตายแล้วจึงไปเกิดเมืองสวรรค์ตายแล้วจึงไปนิพพานเนี่ยห่าวบอกเข้าใจเมื่อมาเฮต์อันนี้เนี่ยมันยิเข้าใจไปแคจิตว่าตั้งอกตั้งใจตั้งต้นชีวิตใหม่เริ่มทํากันใหม่ให้เป็นชีวิตอันประเสริฐเป็นมายจานทร์แต่ในชีว่าทุก อาโกรธเอาเกียดเอาสั่งไปเลยนั่นแหะเป็นนรกคันเฮายือนอยู่เขากะยือนอยู่มออกรถ า, างทองแดงคันเฮานั่งอยู่เขาก็น้ำมออกาทาทองแดงคันเฮานอ น, น, อนอยู่ขกะนอนยืนมกรถาทองแดงมันหัจักไปอย่างนี้เลยความทุกเนี่ยมันเป็นทุกมันเป็นนรกอันนรกอยู่ใต้ดินเอาไว้สะก่อนเอาไว้สะกอ่อนจะเป็นส่นใจเถื่อแก้ปัญหาตัวนี้สะกอ่อนเมื่อเฮามีทุกอยู่ดีดีเนี่ยเขาตายแต่เขาไปตนกนรกกันื้ เมือ่อเขาบอกวทุกได้เดียวดีเนี่ยเอาบวหัววกบวชสั่งผู้ใดขันหอดตายปไปกัไปเมืองสวัสดิ์สวรรคพ่อแม่ครูบาอาจารย์เคยร้องให้สัส่งคนที่ไปนรกนั้นถ้าทาบาปเธอนึ่งญาญมพิบาลมาจดเอาซื้อเอาเสียงเส้นหนังมาเอาวไว้ถ้าเขาทําบุญเธอนึง่งทำดีเธอนึง่งคนที่ไปสวรรค์มีเทวดามาจดเอาซื้อเอาเสียงเส้กระดาษทองคาเอาไว้ เมื่อเขาตายไปแล้วเทวดากับเจา้าหญิงพิบานที่เอาหนังสือบันเทียนมาขวดมาดูมาแลเบืง้งทำบุญหลายหรือทำบุญน้อยทำบาปหลายหรือทำบาปน้อยบอกว่ผู้ใ ด, ดทำบุญหลายจะได้ไปสวรรค์ผู้ใ ด, ดทำบาปหลายได้ไปนรกคนหนึ่งแล้วเขาบอกเข้าใจอันบุญนั่นนะคือเขาสบายใจนี่เด็บกบุญไม่สบายใจอยากาดไดาผู้ใดแล้วได้อยากว่าผู้ใดแล้วว่าอยากเฮ็ดตัด้น ไ, ได้เฮ็ดบุแม่แน่สบายใจไป สบายใจโดนเฮาที่โบทำผิดบททุจริตต้อกฎหมายบ้านเมืองโมโกหกบหลักตับมีพิเดชผลวัตสบายทําการทํางานเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อไอ้เพื่อน้องเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองทํางานเพื่องานให้ได้ไปอันนี้พ่ได้ผลบุญสุขบด้สุขอนนั้นเนี่อันพุกบะเนี่ยทุกพ่อว่าเขาโกหกเขาเกียรบุม่ทุกบุญบีให้บุญบีนาบุญีเป็นบุญบีของบุญม่ทุกอันนั้นเอง อันทุกอันนั้นโอนเดนทุกอันนึงอัน น, นให้เข้าใจอย่างสัน้นเลยเขาที่รู้เองเห็นเองที่เข้าใจเองเรื่องมูลเพราะมันมีอยู่แล้วในคนทุกคนอันนี้แหละคุนว่ารู้คือพระพุทธเจ้าเห็นคือพระพุทธเจ้าอันนี้เพิ่งว่าตัดตาลูตามพระพุทธเจ้ามีสินและทิฏฐิเสมอคันเหมือนว่าตันเตสะสาเตสนยะทิฏฐิหุนตุด้วยเดชพระพุทธเจ้าทําขอบความสมําเร็จแห่งไส ต, ตนะมัณฑ น, นัยเถระสนะอันบูหูนะี่ว่า เอาพลิกมือขึ้นมันหูคว บ, บหูน่นมันหนีไปแล้วนี่เอาเฮ็ดบ่อยๆเนี่ยเฮ็ดหูมากขึ้นมักคว บ, บหูมันน้อยไปน้อยต่อการเมื่อไปแั่วะนี่อันนี้รูเบื้องต้นอะรู้พี่รู้เทวดาบพี่เขาก็เคยได้ยิ น, นบักพีเนี่ยอันคนลอยากอะผู้หญิงกับเอิ้นอีพีนพเนี่ยคือพีมือเนี่ยเนี่ยเขาบ่เห็นเขาบขอกเขาดวงตาทิพตอันตาทิพตนั่น เ, นเห็นผีเด็กเห็นใจเขาพีเด็ก ใจเข้าใจให้เว้ายากนี่มันเป็นผีใจผีอันน่้ผมไม่ใจคน้นอันนี้ใจดีบ่นเนี่ยเขาเอิ้นใจพระธรรมอยู่ดีกินดีใจดีคือพระธรรมแท้เทมึองเหน่งเนี่ ย, เ, ยเขาได้ยินได้ฟังกันซึ่งซึ่งนี่เขาบอเคยเข้าใจเมื่อเขามาให้จั้งซีดมันที่เข้าใจอย่างแกมแจ้งบอกเกอ้อเขินเทวดาคือคนอยู่ดีกินดีมีคมละอายการทํา บ่ดีฮนะบเออเทวดาจังนี่ิขุมละอายแกใจคนไว้ละอายแกใจเพีเดบ่เปนละอาย่อคนเลยละอายแกใจที่ทาซั่วที่พูดซั่วที่คิดซั่วพีเดถ้าทาซั่วพูดซั่วคิดซั่วเมื่อใ ด, อ, นน อ, ด อ, อันนั่นย่างอยู่ท่บาจดอารมเนี่ยนั่นทุกนะทำทุกนะมันทุกเลยเนะี่ยคิดว่าจีเฮตั่วจะพูดสั่วจคิดซั่วเนี่ยมันทุกเลยเด็ดนเะขาบ่เห็นพีเดะ เขไาม่เห็นนี่มันจี้หู่มันจี้เห็นมันจี้เป็นมันจี้มีมันจี้เข้าใจนี่เพเป็นยังว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตาตาคดคือไก่สัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตาตาคดเหมือนไก่สัตว์ทั้งหลายเป็นตาตาคดรู้เป็นเหมือนกันพระพุทธเจ้าว่ามีครูสอนขลูมีครูสอนขลูอันนี้จอเปเป็นตาตาคดแต่หากว่าได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ตามเห็นตามเข้าใจตาม จีว่ามีสิ่งและทิฏฐิคือการกับพระพุทธเจ้านั่นเป็นว่าการเตศาสนาเตะญญที่สิหุ่นตัวด้วยเดชพระพุทธเจ้าจึงมีความศสนาสนาอันโบภูนะศาสนาแท้เมื่อรู้จักอัเงเตแล้วก็รู้จักาศาสนารู้จักพุทธศาสนาศาสาศานาแปลว่าคําตั้งตอนของทานผู้รู้ผู้ได้รู้เรื่องอันใดก็อันนั้นเรียกว่าศาสนาศาสาศานาแปลว่าที่พึ่งเนี่ย ผู้ดใดเพิ่งผีเขาก็เอาผีนะั่นเป็นศาสนาของผู้ดใดเพิ่งเทวดาเขาก็เอาอ น, นั่นนั่นเป็นศาสนาของมันหลายอันเนี่ยคำว่าศาสนาแต่ที่เพิ่งเพิ่งได้จริงติตโบได้จริงเขาอยังกลัวเนี่ยกลัวผีกไ็กไหวผีโัวเทวดาก็ไหวเทวดาเนี่ยกลัวเลือกงานยามดีเขาก็เสียเข่เสียเข็นเนี่ยเขากลัวเป็นกองที่มันบบจริงเมื่อมาลู่จริงละโอ สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นซื้อเขาก็พูดจากกันเมื่อพูดจากนั้นแล้วเาจีเบเกอร์เขินให้ยังเขาก็บอต้องย่านถีบอต้องย่านเทวดาบอกย่านเลือกงานยามดีบอต้องย่านมันเห็ดอย่างให้เหาโบได้มันเฮ็ดได้พอเห่าพี่เห็ดซื้อนี่นะพอเข่าโบหูพี่นะเมื่อเหาหูแล้วจีไปย่านไหมให้ยังของนั้นถ้าไปหูแล้วเบอกต้องย่านของอย่างนั้นบอกย่านในแท้ แต่ก่อนย่านย่านผีย่านเทวดาย่านลึกงามงามดีเคาะเขตเวรกรรมโอ้ยบัดนีบ้บุญญาเนี่ยบัดนี้มาบังดูเคาะเขตเวรกรรม嘛เทวดามาบังดูพี่มาบังดูนั่นอันนี้แหละลูกของลูกลูกของทิ่กัดยกมือไหว้ตัวเองขึ้นลดนี่นี่แหละชีวิตมันได้ใหม่ตัวเริ่มต้นใหม่ปรับชีวิตเขาใหม่ ทำความเข้าใจกับชีวิตเขาใหม่มันเป็นอัตจิตวัตั้งต้นชีวิตใหม่เข้ามาเอาแบบนี้แบบนี้ลู่ทุกคนผู้น้อยกะลู่ผู้ใหญ่กะลู่ผู้เท่าผู้แก่ลู่มดทุกคนบวชกะลู่บ่บวชกะลู่ทุกกะลู่วิญญาณสือกะลู่ให้ทานรักษาสินกะลู่โ่ให้ทานรักษาสินกะลู่คือกันอันนี้รับรองลู่แท้ๆนี่แหละเป็นของกิ้ง ของแทนบ่เปลี่ยนแปลงบ่เปลี่ยพันนี่เป็นว่ามั่นคงถาวดมันมีอยู่อันซันยังมีในคนทุกคนอันนี้แหละที่ว่าเขามาทําความเข้าใจกันใหม่ตั้งต้นชีวิตใหม่เมื่อเขาทําความเข้าใจกันใหม่ตั้งต้นชีวิตใหม่แล้วเขาก็ได้ขอใหม่ขึ้นมาทันทีบาปก็คือโง่นั่นแหละบุญก็คือสลาดนั่นแหละเขาสลัดแล้วเขารู่วของเห็นแล้วเขาบดทุกบาปคือเขาโง่เนี่ยอยู่ที่มืดไผ่วอัเนี่ยเขาเสื้อไปมืดไปอังซัน นรกก็คือความทุกข์นั้นญาณยมพิบาลเหมืนอนเขาหู้จักบอเหาเห็นบอสเทวดาเขาหู้จักบอเหาเห็นบอสเขาโบหู้จักเขาโบเห็นเสื่อแต่พ่อแตแม่เขาว่ามาซื้อเพิ่นวายอย่างสิวะพ่อแม่เขาเคยบอกเคยสอนอว่าบ้านน้อยๆนั่นหลังคาโมงแฝกน เ, เนื้อข้าวเหนียวปั้นแล้วจำหมกปลาแดกกินข้าวกับหมกปลาแดกให้ว่าเดินไปก็เป็นสุข เมื่อเป็นสุขแล้วก็เป็นเทวดาได้เมื่อเป็นเทวดาได้ก็เพราะเป็นสุขนั่นเองเขาบอกทะเลาะว่ทย์เทียงกันบนี้อยู่บ้านหลังใหญ่ๆบ้า น, นี้ขั้นพิกขั้นเที่ยงกันมันก็เป็นบ้านนรกเป็นเหมือนนรกแล้วให้เข้าใจคำพูดคำสอนของพ่อแม่ปุญญาตาโทวดเขาสอนเขาบอกเข้าใจเลยเขาบอกเข้าใจเมื่อเขาบอกเข้าใจแล้วก็บุกเข้าใจแล้ว เพื่อนว่าวัตจะสงสารเงยเงียวนานสําหรับคนโบลูทับเพืเ่อนวอันโบรูธรรมก็คือโบลูตัวเหานี่แหละเนื่องว่าตายแล้วไปเกิดสวรรค์เกิดเทอนันตธาตุนิสธาตุแล้วเขาเกิดมาจากธาต์แล้วเขาได้ทานมาจากเทือแล้วรักษาทินมาจากเทือแล้วเขาหู้จากบอสบุหัวจากแนี่เขา จ, จะาไปเสื้ อ, อย่างไงกระ ด, ด, ดัดกระด้องั้นหนังสือกรลามาสูตรบอกไว้แล้วแต่เขาก็อ่านอยู่เขาหักบอสมาคิดจากเทือ ญาเสื่อถือโดยเขาพูดตามกันม้าเป็นวันญาเสื่อถือโดยเขาเล่าลือตามกันมาาญาเสื่อถือเห็นว่าเขาทำตามกันม้าญาเสื่อถือเห็นว่ามันมีอยู่ในตํารากคำพีสญาเสื่อถือโดยการคาดคิดเอาเองสิบข้อพุดนะเพิ่นบอกไว้แต่เขาบอกมาคิดจากเธอบัดนี้เขามาเริ่มต้นใหม่ทําให้มันรู้จริงๆรับรองเอาอย่างนานก่เกินสามปี อย่างซาบวกเกินหนึ่งปียรู้แท้ๆย่างไวที่สุดบ่เอานับตั้งแต่มือหนึ่งเทงเก้าสิบมือเรียกว่าสามเดือนรู้แท้ๆบ่มากกะ น, น้อยรู้เรื่องนี้อันนี้แหละจริงวะทำตามพระพุทธเจ้าคือการกับพระพุทธเจ้ายรู้ตามพระพุทธเจ้าจริงๆรู้เรื่องนี้รู้แท้ๆนี่แหละจึงว่ารู้ย่างเอื่นนนะจ็บแก้ปัญหาตัวเองบ่ได้ รู้อันนี้แก้ปัญหาตัวเองได้จริงๆรู้แล้วบบลงบบลืม อ, อันนี้รู้จากธรรมศาสตรธรรมะแท้จึิงคือจิ่งเดียวคันเป็นคือกันผู้ใดกับ ร, ร, รู้อันนี้คือาศาสนาใดกับรู้อันนี้คือาศาสนาทีกับจะรู้อันนี้คือศาสาศน า, าพุพ ท, ท, ทกับจะรู้อันนี้คือศาสนาพรามกับจะรู้อันนี้ให้ว่าศาสนาแปลวาทีพึ่งเพึ่งได้แท้ๆคันมารู้ของจริงอันนั้นมันเพิ่งโบได้คันว่าเขาเพิ่งเขาได้นั่น เขาอย่าไปไหว้ผีอยู่เด็ไปไหว้เทวดาอยู่เด็อ ย, ยังไปดูเลือดดูยามเสียขอ้อเสียเข็ดอยู่นี้ที่ปลูกบ้านแปลงเคนนั้นนะไปดูว่าเลือดงามยามดีจึงปลูกมือนั้นบ่อยหมต้องเสือมันมันดีสู้มือ้อมันเดือนปีมันดีสู้มือ้ออันมันบูดีนั่นนะ่ะเขาว่าเอาซื้อเขาไปเฮ็ดบูดีมกระ บ, บูดีสนวะเขาไปเฮ็ดบูดีให้มันกกบบน่ะเลือกกระบูดียามกระ บ, บูดีแล้วถ้าเขาไปเฮ็ดดีเด้เลือดมันก็งามยามมันก็ดีแล้ว เขาเปนเลือกดียามดีมันดีอยู่สู่มือเด็มือสวยกระซางเมื่อคืนกระตามมันดีทั้งนั้นข้าตระเพิดบ่ดีแล้วมันกระดีแล้วนี่มันเป็นอย่างนั้นไหมอันนี้เปลวรูเบื้องต้นรูเรื่องนี้เข้าใจแลรานี่เปลวเข้าใจเบื้องต้นนี่ยเพิ่นเดียวว่าให้ลูกของกรินอันนี้แหละลูของกรินได้ชีวิตใหม่มาแท้แต่โบมันชีวิตเอามาให้คนเห็นเนีคันชีวิตอันนี้อันนี้แหละบุญจ้ายงพิบานกับลึกบัญชีอันนั้นออกหมด ของรู้แล้วเทวดากรมาจดซื้อจดเสียงใส่กระดาษทองคําที่บรรจัยไปได้บรรณิยยกขอ้มาลึกออกไปหมดแล้วเด้ลึบอันกระดาษหนักมาเน่าหนาจันอยู่พิบานเขียนนั้นลึบออกไปหมดแล้วได้บรรณิยบัด น, น, น, นี้ก็มีเทวดามาจดเอาซื้อเอาเสียงเว่ากับจดใส่จดใส่จดใส้พลิกมือขึ้นบนขรุจดใส้จดใส้มันก็เลยตายแล้วก็ได้จะเกิดสวรรค์เั็นะวนสะสวรรค์หกสั้น จาตูมมราสิกาเทวะสาธุโมต้าเวสุจ่าตูมมรัสิกานั่งเทวานังสตังสุตตะวะเขาวาของเหยียดขึน้นจ่าตูมนตวติงศายามาตุติดานี่มันติปารันิ ว, สวัสสวัสดีวาสื่อๆได้สวันค์หกสันคือตานี้สันหนึ่งอะของกริงอั น, นตาดูอันนี้หูฟังอันนวนดังดนหอมปากกินอันแซบนอนที่มันที่นิ่มที่นวลคิดแตดีเนี่ย นี่มาเรียนอันนี้นี่เรียนมอมอเนี่ยเรียนระดับเนี่ยนี่แหละพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าสอนสอนสันส้นๆเนี่ยเมื่อเขาลูของจริงแล้วเนี่ยมันก็ลูของจริงอันนี้เป็นวิธีลูเบื้องต้นลูแล้วมันจะเกิดขมุมรู้สดิดนึ้งเนี้ยขึ้นมาอันนี้เพจนว่าเอิญว่าวิปัสสนูปกิเลสรู้แล้วมันจะเลิกละบอดใมันจะลูะลกออกนอกตัวเขาไปอย่าให้มันออกนอกตัวออกไปลูอยากก่างกระตัางสามกลับคือเข้ามาลูตัวเขานี้ นี่ความุรลุ่มก็จะหายไปจะหายไปเห็นว่าเพิร์นวาเนี่ยพ่อแม่ปุญาตาทวดเฮาว่าเฮาได้ยินได้ฟังมาแล้วจิตใจคนนี้คือลี้ยงคนน่ะมันมาจากสันซาตยานของลี้ยงมาสันเพินวาจิตใจคนเนี่ยวอกแวกก่อกลับได้ไวดุดมีลานไขในตนเราท่านควรบังคับคนให้จิตโยนมาแท้มุดมาแทะ ท, ทางข้างดี หาหัก่อยไว้ให้จิตมุนไปในทางข้างกีฤคือกิเลสนั่นแหละทําที่มีก็จะมีจากหน้านหายศูนยญทําที่มีคืออย่างก็โกลู้สึกตัวนี่แหละมันโบลูได้มันจึงเห็นสีเห็นแสงเห็น ท, นที่เห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์คุยกับเทวดาคุยกับพระพุทธเจ้าอันนั้นแหละกิเลสมันจิลอกลวงเหาเนีย่ยทําที่มีก็จะมีจากหน้านหายศูนย์อ่ะทําเข้าขอ้อาำได้ใบหนี่ต้อกลัวโบลูนะั่เข้าขอ้อาำ คมระยําสัมบูคอปีนปอกรองจนเขาลอกตัวเห่าสนมบกนี่แหละพ้นว่าให้เข้าใจให้เข้าใจจริงๆเวลามันหมดไปเนี่ยเอามาเริ่มต้นกันใหม่ตั้งต้นชีวิตกันใหม่ทําคนเข้าใจใหม่ให้มันรู้จริงๆนี่อันนี้รู้เบื้องต้นอย่าปล่อยตัวอย่าปล่อยใจให้รู้ตัวรู้ใจอย่าลืมเลื่อลืมตัวเป็นพ่อแม่เขาสอนแต่เห่าวาวซื้ อ, อมันเป็นอย่างไร เราต้องพยายามทําผมเข้าใจกับมันจริงๆเรื่องนี้รับรองว่ารู้แท้ๆรู้แท้ๆพันถ้าหากผู้มีปัญญาเนี่ยรู้จะแก้ถูกได้คุณเนี่อันนี้ล่ะรู้แล้วก็ต้องพยายามทําผมรู้ตอนเสาเรื่องทํานทบนานจากน้อยในนี้ผมรู้ทำแล้วรู้โอืดจนพอดีรู้อันนี้จบแล้วมันตื้อคมรู้อันหนึ่งขึ้นมาแตกแปกไปพูมใจของคมรู้อ่ะอันนั้นเป็นผมรู้ของอิปัสโนเพร่ะน่ะ วิสาเปว่าไม่รู้วิสาเปว่ารู้วิสาคือรูปของจริงรูแล้วบลงหลงหลงไปอ่ะนิสาอันนั้นรูแล้วหลงแล้วหืงไปมันบป็นเร่อของจริงรูผี่รูเทวดารูน่าลกใตน์มันบเม็นน่ะน่ะเพราะว่าทำเข้าเข้างำคนละยำสมบุกระปินปอกหลอกตนอย่าให้มันมาหลอกตัวเขาได้ตั้งกฎตั้งใจประพฤ้นปฏิบัติเวลามันเข้ารัดเข้าชีวิตมันเหมืนไปเหมือนไปชีวิตมีคามาที่สุด ถ้าหูแล้วเท็กอย่างใดมัดตักบาทจังหันเพรนได้มัดเพราะมันเป็นบุญเด้เนี่ยฮะเข้าใจไหมนี่แหลวศาสนาแต่ว่าที่เพึง่งเพิ่งได้ยิ่งพิง่งโตเฮาเนี่ยโตเฮาเนี่ยเป็นตัวศาสนาโบเมนตัวหนังสือโบแม่นตัวพระพุทธลูกโบเมนน่ะอันพราเหลืองนะ่ะโบเมนอันนั้นแม่ยู่แบ่สมมุติพอแม่ขอบอกเอาไว้กล้าพระพุทธจะไปให้มันทุกข์ของคํากล้าพระธรรมย้ายา ไ, ปไปไปทุกไปล้าน ในทุกคำพินกล้าพระสงฆ์ออย่าให้ไปทุกข์ลูกผู้หลานเนื้อทุกข์ลูกชาวบ้าเข้าโบเข้าใจเขาบบเข้าใจเนื่องจากโบเข้าใจนี้เองอันทําบุญทุกเนี่ยบัดเนี่ยรับรองว่าเข้าใจจริงๆทุกจริงๆพ่อเฮาได้เดสมือตาเห็นคนไปคนมาก็เห็นคนเว่าอย่างเขาก็ฟังไดมั น, นีหมดต้องหลับตาหมดต้องว่าอัดหูไว้หมต้องอัดหู ใหพูดอ ย, ย่างให้ได้ยินเด็กแต่ให้มันรู้สึกตัวเคลื่อนไหวไปมาโดยวิธีให้มันรู้สึกตัวให้มันรู้จริงๆถ้าหากว่รู้แล้วใส่บไดายเรื่องบันนี้ก็เลยมารู้รู้สึกตัวแล้วทําไปทําไปมันก็ดควาคิดวูบขึ้นผมยางอยู่อันนี้คล้ายๆคือคนมาสุกค้างนี่นะวูนบอ๋อมันคิดแล้วนี่ยวู้จกักโลมู้วู้จกักบางทีล้วกะ เบิ่งทําเอาเหมือนแม่กับหนูเนี่ยพอได้หนูออกมาปุ๊บแม่มาจับปั๊บเนี่ยไม่เป็นไรพอได้หนูออกมาแม่มาจับปั๊บสิแม่มไม่บ่เคยกลัวหนูโตวความคิดโตรู้โตเหตุเนี่ยมันบ่เคยกลัวความบุญญาเนี่ยความบุรุษเนี่ยมันบ่เคยกลัวแท้ๆมันบุญญาเนี่ยญาณวบุรุษมันรู้รวดประเดี๋ยวมันรู้เดาหายวับหาวับอะวิสาแต่บ่รู้มันบ่รู้แต่มันรู้ มันเข้าไปนยะ่างผมคิดเป็นเอื้อนอะวิสามบบรู้เมื่อเขาลู่ของเหตุทางจิตเนี่ยแก้ปัญหาเนะียเหตุอันนี้เราผมก็เลยรู้จักวัตถุปรามัดอากาศรู้จักจริงๆจริงจิ๋รู้จักสมมุติบัญญัติปรามัดบัญญัติผัดถาบัญญัติอนิยามบัญญัติรู้จริงๆเรื่องนี้วัตถุกำไมายถึงทุกสิ่งทุกอย่า ง, ง, งที่มันมีอยู่ในโลกนี่นเป็นว่าเรื่อวัตถุสิ่งเงินทองเสื้อผ้าไหดาหัวส่วนเขา เป็นวัตถุทางนั้นวัตถุปรามะเตวะของจริงจริงจริงโดยสมมุดเป็นว่าอย่างไจริงโดยปรามะอันปรมะเ ต, ตว่ามันมีอยู่อันปรตมะอันคนรู้สึกตัวนี่เป็นปร า, าตะอัธธตถะเตว่ายากบุคคลจะรู้อนุญาตบัญญัติผู้ที่เป็นอนุญาบุคคลจึงจะรู้เป็นว่ายอย่างไรจริงว่าให้มันรู้กานเคลืค่อนไหวมันพิบตาก็รู้มันหายใจก็รู้อันนี้คนอื่นมองเห็นได้อัน ส่วนคมคิดในขดเอื่นมองว่าเห็นจะรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้แต่ว่าตัวเองเท่านั้นเองที่ว่าสันทิปีโกอันผู้รู้จักพึงเองอาการเลี้ยโกไปประกอบการในเวลาเพื่นว่าเอเฮปติโกควรเรียกให้มาดูให้มาดูใจพูดเน็ตโอปนนี้โกเพื่นว่าเอเฮปติโกคนรเรียกให้มือนโอปันาจิโกกวรน้อมเข้ามาใช้ตัวน้อมเข้ามาใช้ตนวใช้ตัวอะไรเงี้ ปัจจตังวิทิฏวิญูหิติสงนวนให้เข้าใจปัจจตังคือเป็นปัจจุบันวิญญาณ น, น, นี่แหละวิญูวิญญาณเนี่แหละที่ว่าต้นไหนกันได้เราต้องไปแปลเอากับหนังเส้หนังสือมากมายไปไหนเนาะปฏิบัติให้มันรู้ของจิงเนี่ยนี่เนี่ยที่ว่ายอดบุญแหงเนื้อบุญแทงเป็นมงคลอันประเสริฐแท้ๆที่ว่า อาเสวันนาจะพาลานังบัณฑิตานั้นจะเสวันนาภูสาจะภูซาณิญานังเอตัมมังคัลมุตตะมังทำสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูตรอาเซวันนาก็คือเฮาอยู่น่นบัณดิตโบเบนบัณฑิตไปเรียนอยู่ตรนี้บัณฑิตคือตัวรู้สึกนี่นะอาเซวันนาจะพาลานังพาลากเป็นคนโง้อคนพานอันคนง้คนพานก็คือตัวมันบมรูนั่นแหละโบเบนคนพานเป็นหลัก นั้นลักนี้บ่เน่ยคนผ่านนี่คือพันอันมันหลงตนลืมตัวหล ง, ลงกลายลืมใจนี่แหละคนผ่านอันนี้นี่แหลบัณฑิตาแนนจัดบันดิตแปลว่าป่ปาบัณฑิตรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงนี้เป็นว่าอย่างตันอันนี้คุณเออเป็นมงคลอันสูงสุดนี่เขาจิตซื้อบอดาขายบอดาทุกคนปฏิบัติได้มาปฏิบัติได้ยทุกขณะทุกลมหายใจ น า, นาทีทุกวินาทีทีเดียวนี่จะเป็นการปฏิบัติธรรมะอย่างสูงสุดในหลักพระพุทธศาสนานี้ถ้าหากทำอันนี้แล้วแล้วเมื่อเดียวให้ทานกระทุกรักษาะทิ่งกระทุกทำกรรมฐานกระทุ ก, ท ก, ก, กจเจริญดิพสนากระทุกเพราะมันถูกเด้มันทูกกระทุกหมดสนุกใครมันบมทูกก็ผิดมั้มันเป็นอย่างไรนี่แหละทางไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือยังพระพุทธเจ้าคือจิตใจสะอาด จิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจคล่งใสจิตใจว่องไวสามารถมองเห็นอันไรได้ทุกอย่างนี่สามารถมองเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นทุกอย่างเลยรดี ว, ว, ว่าตัดตีใจระบบผิดนี่เคุนว่ามันที่ผิดบอกข้ามหมาเป็นของจริงเด้นี่แหละของจริงแท้ๆโบต้องถามผู้ใดแล้วรับรองเอาถามเธอ โมผิดอันเนี้ยย่างนานบมเกินสามปีจะเอาชีวิตเป็นประกันกับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงทุกคนที่เรามาเนี่ยเพราะตัวเองแล้เข้าพิสูจน์มาแล้วเพื่อนก็คือกันกับเขาเขาคือกับเพื่อนคนอินเดียพระพุทธเจ้า ต, ตรัสรู้คือคนไทยนี่แหละเขาบ่กต้องพูดภาษาอินเดียบ่กต้องพูดภาษาบาลีแล้วนมโมตัตะเนี่ยแปลเป็นภาษาบาลีมาเขาบ้าหุ่จักเนี่ย น้โมตตะไปเอาขอนบนมนบเพศต่างไดนอมเพศต่างใดเขาบุหุจักเลยน้โมตตะไปเอาขอนบนมอะไรฮะโตเปเอาพวกไก่จากกิเลสสมาสมพุทธศาสตร์ัสตะลูชอบเองตัดตะลูชอบตัดตะลูจังไดไก่จักกิเลสไก่ใจจังใดเขาบุหุจักเขานบจังใดขาน้อมจังไดบุหุจักอย่างดีเขาไปกราบเบญจคัขปิดกอกเอาหัวเอามือวางแล้วเอาซอกสองซอกนี่ใส่หม้เข้าคู่นันที่แล้วก็เอามา สังสแล้วเอาหัวจดองนี้มันเอื้นเบนจจังิดข้อมจริงและเบจจังฆะปิดเดิมมันมันมีห้าจังหวะปัญจแต่องหา้าเ็จจังฆาปิดเอามือลงนบมือห น, นึ่งน่สองมานี่สามมานี่งสี่มาหนี่ห้ามาหนี่เนี่ยนโมตัสสัตยิม่ตวาขอนบนบอมาเนนี้น้นม อ, นนเอามาอเอาหัวลงมานี่ยจัวะผขอนบบนบมันพูกแท้ๆนี่ด็ นโมตัสสะทักขวะโตอรหะโตสัมมาทิฏฐิเป็นภาษาบาลีได้เนี่ยบทไม่ใช่วาลแล้วม่ใช่ขังที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้บุญบแมณ์เนี่ยเพิ่นบอกให้หอนบหานอมดีได้รลู่แล้วยกมือไหว้ตัวเองได้หอนบตัวเองยกมือไหว้ตัวเองไหว้ตัวเองเนี่ยเป็นไหว้พอไหว้นม่ไหว้ตัวเองเนี่ยเป็นไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้ตัวเองเนี่ยเป็นไหว้เทวดาไหว้ตัวเองเนี่ยเป็นการไหว้พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าพึ่นตัดแล้วบอกแล้วว่าการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเขาตอกดอกไม้ทูกเทียงของออดทั้งหลายนัย้นจะหนาแน่นตั้งแต่ขึ้นดินถี่ออาาเพราะอดคนีาบของพุคธรรมารโบซือว่าบูชาพระพุทธเจ้าพึ่งวายอย่งางไผู้ใดที่บูชาพระพุทธเจ้านั้นต้องปฏิบัติทำให้ลู่ธรรมเหตุธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นสือว่าเป็นการบูชาอย่างยิ่งพึ่นวายอย่งางไรแล้วเฮาโบกมุกจกักลู่ธรรมเนี่เป็นลู่นอกตัวพุ่นเป็นลู่พีลู่ลเทวดาพุ่ มันบ่แม่ น, นลูของกิงลู่โตเฮานี่แหละธรรมะจึงคือทุกคนนั่นแหละเพิ่นว่าครับว่ามีพระธรรมวินัยยูดมีผู้ประพฤติปฏิบัติดูดมรรคผลมีผ่านบ่ว่าจากโลกนี้แนี่เพิ่นว่าอยา่างไรแต่เขาบุกมุจักอันประพฤติปฏิบัติทำในให้ยังไดเขาบุกูุจักมีแต่ว่าไปให้ทานไปรักษาศีลแต่ทากรรมฐานไปเจริญนิพพานอยู่ป่าพูดนี่ไม่เป็นอย่างไร บัดนี้เขามาเห็ุวิถีนี้ง่ายๆนี่หรอเบิร์ของนายเข้าบุอยากเหตุเป็นไงลภิกษุหรืออบาตโศมิสกราร ย, ยู่โดยซอบ้าะอรหันต์ขจิบว่างจากโลกนี้ยู่โดยซอบกัอยู่ด้ว ย, ย, วยความรู้สึกโตนี่ส น, นุนการทําการโพตรการที่แต่มรู้สึกโตนี้เป็นว่าอยู่โดยซอบพระอรหันต์ขจิบว่างจากโลกบว่างจากคนทุกคนคนนี้รู้ตัวเองคนนี้ น, นี่คนว่านี่ยความจริงแท้เล่มพลาดผิด ถ้าหากรู้อย่างที่ทุกคนแหละบ้านเมืองก็สงบไปโลยค่วมทุกข่วมเดือดร้อนกับบเกอร์คือพอเขาแก้ปัญหาตัวเองได้แด้เนี่คข่วมสับสนวุ่นวายการขัดแย้งเกิดภายในจิตใจเฮานี้เมื่อเขารู้อย่างที่เราค่วมสับสนวุ่นวายการขัดแย้งที่บุเกอร์จะกินใจเฮานี้เขาจินินใจกินสบายเพื่อเอื้อความสบงบยู่โดยซอฟนู่โดยโบผิดโบเถียงกันโบทะเลาะกัน กับคนอื่นแล้วกับว่าเท่เากับตัวเขาเนี่ยการขัดแย้งตัวเขาในจิบว่มีเนี่ยนี่เป็นมาตัดตะลูมานี่ยังรู้ตามเหตุตามเข้าใจตามพระพุทธเจ้าเป็นว่าอยางจันที่นํามาเล่าให้ฟังนี่เป็นความจริงผู้หญิงกะระลูจังสีผู้ชายกะระลูจังสีผู้เท่าผู้แก่รู้จังสีมัดจิงวัตธรรมแท้คือซึ่งเดียวกันเท่านั้นขันถ้าเป็นสองอันสามอันบเบียนคําสอนของพระพุทธเจ้าได้นหมโบเบียนรับรองว่าบเบียนแท้ นี่เนี่ยข้มจริงที่นํามาเล่าให้พอให้แม่ให้อ้ให้น้องมู่เพื่อนครูบาอาจารย์ทุกคนภายในต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมเวลาสั้นเข้าสั้นเข้าท้ายที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะยุนัสถานที่นี้อาตมาขออ้างอีเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคํำสอนขององค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิจใจของพวกเขา ให้พวกเขาได้รู้แจ้งเห็นจริงตามกรมปีจีนย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าตัดทั้งหลายคือเราตถาคตตัดทั้งหลายเหมือนเราตถาคตตัดทั้งหลายเป็นตถาคตบทสุดท้ายเนี่ยตัดทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงลายแห่งนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามย่างเราตถาคตนี้ ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีจะหลัน่นทันน้งหมดนี้ขอให้ทุกคนทุกคนจงได้รู้แจ้งที่จริงตามคผมติดจริงที่จิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจคลองใสจิตใจว่องไวสามารถตัดติดใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้แหละคือจิตใจของพระเจ้ามีแล้วในคนทุกคนประโยชนขอให้ทุกคนทุกคนจงประสบพบเห็นเอาเวลาใกลอนี้หรือในระยะนี้ถ้าหากโมลู ในขณะนี้ลุกขึ้นหรื อ, อยามวันดูไปเดินจงกรมไปสร้างจังหวะให้รู้แจ้งจริงตามกรมจริงๆให้เราได้เข้าใจสัมผัสได้แนบได้จรตงๆเอ า, าในทีวิตนี้จงทุกๆคนเธอ